พระธรรมเทศนาแผ่นที่101ดลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินถวัยสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่26่ริพฤศจีกายน2559รามีชื่อเรื่องว่าเตรียมอาหารใจไว้ก่อนตายคณะธาติยาโยมสิบฟังสดและจะฟังเทศหลวงตาบะ อาจารย์จเจริญเสนอว่าอยากจะฟังสดเหมือนกันนะถ้าฟังสดหลวงพ่อจะเล่าอะไรให้ฟังถ้าจะฟังเล่ตรงตาเขาเทศตรองตามมาเทศให้ฟังได้ทั้งสองอย่างทุกหลาเอาเดี๋ยวหลวงพ่อจะมีอะไรจะประรบนั่งสบายๆนะพวกเรานะการจัดทายแย่โยมนั่งอริยบทสบายๆการฟังเมื่อ ฟังเทศจบลงไปแล้วนะองที่หลวงพ่อกล่าวจบลงไปแล้วพวกเราหลวงพ่อจะให้นั่งสมาธินะให้นั่งสมาธิจั๊ชัวระยะหนึ่งให้ครบสูตรทั้งทำวัดเย็นด้วยทังได้ฟังธรรมเทศนาแนวความคิดด้วยแล้ให้นั่งสมาธิ ด, ดูจิต ด, ดูใจของตนเองด้วยแปลว่าครบครบสูตรนะในการปฏิบัติธรรม วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกาวันพรุ่งนี้วันนี้เป็นวันเสาร์พวกเราได้มาร่วมมารวมกันเพื่อทำวัดเย็นแล้วก็ วันพ่งนี้เราจะได้ทาบุญตักบาตรแล้วก็จะได้ถวายผ้าป่าสามคัคคีเพื่อดูแลสวนเจริญธรรมของพวกเราวันนี้ที่มาได้มาร่วมมารวมกันวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหมามงคลยิ่งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่26พธศจิกายนพุทธศักราช2005 ร้อยห้าสิบเก้าในช่วงนี้พวกเราท่านทั้งหลายที่อยู่ในกรุงเทพมหานครก็จะเป็ น, ปนที่รู้จักดีตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมะพระปริมินระมหาภูมิพลอดุลญยญเดชของพ่อก็เรียกไม่เอยถูกปรนอะไรลูกหลานนะเพราะ ตั้งแต่พระองค์สวรรคตมากขาบอกพระองค์สวรรคตต่อมาก็าว่าอยู่บนหลุมมะโกด ต, ต่อว่าสวรรคาลัยต่อมาก็มาสับนี้ขึ้นมาอีกแต่หลวงพ่อก็เลยตามยังไม่ทนันเพราะหลวงพ่อเป็นพ้าร้ายสมัยพระเก่าพระแก่พระป่าพระป่าพระโด่งนะแต่ที่ยังไงลูกหลานก็รู้แก่ใจแล้วแหะคืออะไรมิเป็นอะไรนะแต่ยังไงก็ตามพระ อ, องค์ได้ สวรรคตรคือร่มโพ ร, ร่มไใจของพวกเราพวกเราในฐานะประศุกร์ในกองดูใต้ร่มเงา พ, ะพระปรามีของพระองค์ที่ประเทศชาติชาติไทยของเราที่เจริญรุ่งเรืองแต่ไม่เป็นขี้ข้าของใครในละแวกนี้พวกเรานึกย้อนหลังหนสิทุกทิ้งทุกอย่างมีประวัติศาสตร์ทางนั้นแหละประเทศไทยเป็นยังไงเวียดนาม เกาหลีไต้หวันแถบนี่ประเทศจีนเรียกว่าพม่าสีลังกามาเลอินโดฟิลิ ป, ปินเวียดนามลาวพมิดล้วนแล้วจะเป็นเมืองขึ้นเขาทั้งนั้นแต่ประเทศไทยประเทศเดียวมีพระมาหากษัตริย์ ทรงปีชาสามารถตั้งแต่บรรพบุรุษมาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่ก้าพวกเราไปยังว่าตระกูลรกษัตริย์ของพวกเราพระมหากษาัตริย์ของพวกเราทร ง, งคุณธรรมทรงคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอันประเสริฐอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นไม่ต้องบรรยายมาก แต่ยังไงพระองค์ก็ได้ทำคุณอุปการกับประเทศชาติมีโครงการเท่าไรต่อเท่าไรมีมากมายเมื่อพระองค์สวรรคาไราไปแล้วกิตติศัพท์ของพระองค์จึงขึ้นมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายแต่พระับทรบาบแต่ที่ยังไงพวกเราในฐานะประสบในกรมาถึงจุดนี้แล้วพวกเราก็ไม่มีอะไรที่จะทดแทนพระ อ, องค์ท่าน นอกจากประกอบคุณงามความดีคิดดีทําดีพูดดี เ, เพื่อบูชาพระคุณของท่านาท่านอย่างอื่นท่านคงจะไม่ต้องการเพราะท่านมีครบหมด ท, ท, ท, ทุกอย่างแล้วมีแต่อยากจะให้ผลและเมืองไทยประสบนิกรของพระองค์เป็นคนดีอยา่าทะเลาะกันประกอบคุณงามความดีสิ่งไหนที่มันดีพวกเราก็เป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทุกคนแล้ว คิดดีทํำยังไงเรคิดดีทดําดีเราจะทํำยังไงจึงทําดีพูดดีเราจะทํำยังไงจึงว่าพูดดีเราไม่ดา่าไม่พูดกระทบกระแทกไม่พูดเยอะเย้ยเยาะยะันคนอื่นเขาแต่สรุปแล้วก็คือการที่จะว่าดีคํานี้นะท่านตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วนะท่านเอาสี่ห้านะจะทายแยากโดดเป็นบรรทัดฐานนะเป็นเส้นบรรทัด ถ้าว่าใครขาดศินห้ามากๆแปลว่าไม่ดีถ้าผู้มีศินห้ามากๆผู้นั้นเป็นคนดีเพราะว่าสินห้าเป็นเครื่องวัดมาตรฐานมาแต่บรรพบุรุษของพวกเรามาแต่ครั้งพุทธกาลมาแต่พระพุทธทเจ้าผู้หมดจดจากกิเลสพระพุทธเจ้าเป็นผู้หมดจดจากกิเลสกิเลสราคะโทสาโมโอหะเป็นผู้บริสุทธิ์พุทธผองบรรญัติศินห้าขึ้นมา พราะฉนัสีทาจึงเป็นเช่นบรรทัดสำหรับพุทธบริษัทอย่างพวกเราท่านทั้งหลายถ้าว่าพวกเราว่าใครเป็นคนดีไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ลาบละ ล, ะลวงในสามีภรรยาคนอื่นเคารพในสามีภรรยาคนอื่นเขาไม่โกหกไม่ตมตุ๋นไม่หลอกลวงคนอื่นไม่ตอแหลหน้าตอแหลหลัง พูดอย่างหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งหาความชัดริงไม่ได้ไม่ดื่มสุราคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเมินเมาทําให้ขาดสตินี่แหละสินห้าของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นสินทําให้เป็นเครื่องวัดว่าเราเป็นคนดีหรือเราเป็นคนเลวถ้าว่าพวกเราเป็นผู้ทรงศินมีสิลอยู่แล้วไม่ต้องถามใครนะแปลว่าเราเป็นคนดีแต่ถ้าว่า เราไม่มีศีลอย่างวาดไม่มีศีท้าเราก็ไม่ต้องถามใครอีกเหมือนกันว่าข้า เ, เป็นคนดีมากน้อยแค่ไหนก็เลวชัดๆอยู่นั่นเองนั่นแหละเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนี่แหละให้คิดดีทำยังไงคิดไม่โลภอยากจะได้ของเขาในระดับของพุทธศาสนานะไม่คิดอยากจะโลภอยากจะได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาคือไม่อิจฉาเขานะไม่ปองร้ายเขา แล้วก็ไม่เห็นผิดจากทํานองครองธรรมตัวนี้กว้างกว้างนะทํานองครองธรรมตัวนี้มันกว้างกวาง่าคือทําดีไม่ได้ดีทําชั่วไม่ได้ชั่วนรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วศูนย์แต่ไม่มีคุณบิดามารดาไม่มีครูประชาอาจารย์ไม่มีสูงไม่มีต่าอันนี้แปลว่าคิดชั่วอ่าแปล ว, ว่าคิดชั่วคิดอย่างนี้ เ, เพราะฉนั้นพวกเรามีไหม เ, เราต้องดูเราถ้าเราไม่มีอย่างนั้น และ แ, แสดงว่าเราเป็นคนดีแปลว่าคิดดีทำดีก็สี 5, ่ท่าพูดดีก็คือสี่ข้อที่สไม่พูดโกหกไม่พูดตอแหลไม่พูดทำให้คนอื่นเดือดร้อนทำให้คนอื่นเจ็บอกเจ็บใจพูดตามหลักธรรมคาสอนพูดตามหลักท ำ, ำ, ำ, หกำหลักเหตุผลไม่ใช่ว่าพูดอย่างนั้น วันหนึ <LA> like you, ่งพูดอย่หนึ่งวันหนึ่งพูดอย่งตอแหลหน้าตอแหลหลังหาความสัตย์จริงไม่ได้อันนั้นไปว่าคนที่ชอบโกหกคนที่ชอบโกหกพูดตอแหลหาความสัตย์จริงไม่ได้ต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งอันนี้ไปว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้นะอยากไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีอันนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้แล้วนะ ให้พวกเราศึกษาให้ฟังถ้าเป็นหมูพกเพื่อนก็ตามเป็นใครๆก็ตามวัดหนึ่งพูดอย่างหนึ่งวัดหนึ่งพูดอย่างหนึ่งแต่ว่าหาความสัตย์ความจริงไม่ได้อันนี้แปลว่าเราไม่ต้องถามว่าที่เป็นคนชั่วหรือเป็นคนดีมันเป็นคนไม่ดีแหละ ถ, ถ้าพูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พวกเราถามเตยคิดดีทดําดีพูดดีเพราะว้าพวกเราทุกทุกท่าน น, ะนี่แหละในหลวงท่านต้องการ คนอย่างพวกที่ว่านี่คิดดีทดําดีพูดดีบูชาพระคุณของท่านท่านไม่ต้องการอานิดชูบูชาเราจึงไปพูดถึงั้เพราะท่านมีอยู่แล้วถ้าเราจะทําก็ได้ถ้าเราตั้งไปตั้งโรงทานโต้ทานก็คือเนี่ยไปคล้ายว่าเราคิดดีแล้วก็ทําดีเราทําดีคือเราเอาไปเลี้ยงคู่คนเราทาดี เพื่อบูชาพระคุณของพ่อ พ, อ, พอท่านทําคุณอุปการให้กับประเทศชาติเราเสียสละเพียงแค่ที่เลี้ยงพระศพเมื่อก่อนให้มีอยู่มีกินในที่พกเขาเหล่านั้นเข้ามากลาบพระบร ม, มสพเขามาจากต่างถิ่นต่างแดนบางทีอาจจะเป็นคนทุกขคนจนคนที่ไม่มีงื่ไม่มีเงินเออเขาได้ทานได้กินโอ้เขาแบบไม่ น, นี่ยนะ และลึกถึงบุญคุณของผู้ที่เอาให้เขาได้กินมากน้อยอย่างหลวงพ่อไปคราวหนึ่งเป็นงานศพต้องไปงานศพผ้าอาจารย์องค์หนึ่งนะหลวงพ่อก็ชวนโยมอีกคนหนึ่งเขากําลังขายของอยู่เขาขายของขายของดีเกือบเที่ยงแล้วเขายังไม่ได้ทานอาหารหลวงพ่อก็เห็นว่าเขาขายของให้ไปกล่ววาวคารวะศพของออหลวงปู่นะไหม ไปครับเอาไปก็ขึ้นรถเอย่างเราก็ไม่รู้ว่าเขาหิวข้าวใช่ไหมล่ะาจากนั้นเขาก็เลยขึ้นรถกะหลงพ่อไปพอขึ้นไปไปถึงที่โอ้โหเขาหิวข้าวจนตัวสัน่นว่ะเขาก็ไม่รู้จะไปไห ก, ก็วิ่งเข้าไปไปขอกินข้าวแต่ตามที่จริงเลยเขาเป็นคนจีนเลยไอ้แกงขี้เหล็กกับแกงหน่อไม้นะเขาไม่เคยกินเลยล่ะกินแต่อย่างอื่น วันนั้นมันหิวหิวจนตัวสั่นว่นกันไปกินแกงพะกี้เล็กโอ้โหนี่มันอร่อยจริงๆนะขนาจารนเลยมอนพอมันหิวเนี่ย เ, เขายังระลึกถึงบุญคุณของผู้ที่มีอาหารให้กินนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าต่างถินต่างแดงเข้ามาเขาไม่มีที่ซื้ออาหารกินเราไปตั้งโรงทานไว้รองรับรองรับเขาจะเป็นอาหารประเภทไหนก็ตามให้เขาได้อยู่ได้กิน นั่นแหละมันก็เป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเราจากในทานะคือการเสียสละทําบุญเพื่อพักบูชาพักคุณพ่ออีกเหมือนกัน เ, เ, รเราเรื่อกถึงบุญคุณพ่อแล้ว เ, เราทําความดี เ, เราทําความดีเพื่ อ, อบูชาพระคุณพ่อคือในหลวงของพวกเราล้วนแล้วจะเป็นบุญกุศสเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราทั้งนั้นแหละ ท้าว่าพระ อ, องค์ยังชงระชนชีพอยู่ท่านก็คงจะรื้มปีติกับผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเพราะพระองค์เป็นคนพระ อ, องค์ก็วางตัวเป็นพระ อ, องค์เป็นคนดีอยู่แล้วเป็นผู้เมตตาต่อพระสพนิกรอยู่แล้วเดินทางไปที่ไหนต่อที่ไหนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น พอพวกเรามีวิทยุโทรทัศน์พวกเราก็รู้ว่าผลงานของพระองค์อย่างไรแต่หลวงพ่ออยู่ในป่าที่หลงกูบาอาจารย์ถ้าหหนก็ไม่ดูโทรทัศน์พเพราะนั้นหลวงพ่อจึงมไม่รู้ในารายละเอียดพียแต่ฟังข่าวๆนี่แหละอันนี้เรื่องเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยนับว่าโชคดีเป็นพูก ได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระมหากษัตริย์อย่างพระองค์ท่านแล้วกัพระพุทธศาสนาในเมืองไทยจเจริญรุ่งเรืองอมาดุจถึงเดียวนี้ก็เพราะนี่แหละก็เพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินของเมืองไทยท่านทรงทศพิษราชธรรมค่อยๆทรงศีลทรงธรรมคุณธรรมศีลธรร ม, รรมจริยธรรมที่ดีแต่และพระองค์ก็ได้ทรงผนวด ได้บวชรัชการของพระองค์เนี่ยนะได้บวชถ้าว่าพวกเรานะพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้บวชนะไม่ได้บวชเป็นตัวอย่างไม่ได้บวชเป็นตัวอย่างพวกเรานะถ้าพวกเราจะบวชเข้ามาเนี่ยพวกเราก็คงจะเคอะเคอะเคิร์นเคิร์ น, นว่าเราพูดเราคิดผิดคิดผิ ด, ดและคิดถูกนะที่เราบวชมาเนี่ยใครเท้าอายคนอีกต่างหาก ถ้าพ่อแม่ให้บวชกันน่ะหรือสิบัวพ่อแม่ตัวเองเน่ยคืละสมัยไม่ทันสมัยเหมือนโลกเค้าแต่นี่เมื่อพระ อ, องค์เป็นผู้นํำบวชใช่เองนะเป็นพระในพระพุทธศาสนาในการที่ส่งบวชพระ อ, องค์กับบินถวัตเป็นตัวอย่างของประสบในกรทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นพวกเราลูกหลานของเราเข้ามาบวชไม่เคอะเคอะเคินเคิร์นบวช ด, ด้วยความเป็นเครื่องทดแทนพระคุณข อ, อของพ่อของแม่ของพวกเรา สรุปแล้วคือคือท่านท่านทำตัวอย่างทุกตัวอย่างให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษานี่แหละอันนี้ก็คือเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะคณะราทาญาติโยมทุกคนในช่วงนี้ขณะ น, นี้ไม่มีอย่างอื่นมีแต่เราประกอบคุณงามความดีไหวพระสวดมนต์แล้วก็ำเพ็ญกิจตภาวนา จากนั้นก็ถวายเป็นพระราชกุศล ต, ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราที่ท่านมีคุณูปการกับพวกเราแล้วก็พร้อมกันวันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์พวกเราจะได้ทําทอดผ้าป่าสามัคคีที่สวนแสนธรรมของเราแห่งนี้ละ่ะเหมือนกับเราทําทุกปีทุกเดือนจะตกปัจจัยที่เราได้มาแล้วกันน่นะเป็นข่าน้าําขาไฟ ข้าสถานีวิทยุเสียงธรรมขององค์หลวงตาพอหลวงตาท่านสร้างสวนเสียงธรรมแห่งนี้ม า, เ, าเพื่อให้มอบฝ่ายกับพวกเราพันกับไปและลูงตาจุตินิพพานไปแล้วแต่ลูกหลานไม่รักษาลูกหลานไม่ช่วยกันช่วยกันรักษาสวนเสียงธรรมมันก็คงจะเศร้าหมองไปเรื่อยๆแต่หังว่าพวกเราท่านทั้งหลายใส่ อ, อกใส่ใจเพราะนี้เป็นแหล่ง แหล่งบุญแหลง่งกุศลแหล่งบำเพ็ญคุณงามความดีแหล่งสร้างบุญสร้างกุศลบริษัทห้างร้านหรือผ บ, บริษัทของเราห้างร้านของเราเราไปไปทำงานในสถานที่ต่างๆอันนั้นแหล่งหาเงินหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพนะถ้าพวกเราไม่มีเงินไม่มีปัจจัยสปัจจัย4ี่ก็คืออะไรคืออาหารปัจจัยหนึ่งป้านะ ผ้านุ่งหมปัจจัยหนึ่งที่อยู่อาศัยปัจจัยหนึ่งยาแก้โรคภัยไข้เจ็บอันนี้คือปัจจัยหนึ่งเรียกว่าปัจจัยสนะเราต้องหาเงินเพื่อได้ปัจจัยสี่มาเลี้ยงสุขภาพร่างกายของเราถ้าเราไม่มีปัจจัยสี่พวกเราก็อยู่ลําบากแต่ถึงยังไงก็ตามเราไปหาเงินทำทรัพย์สมบัติว่าเฉลียฉลาดหาเงินได้มากนายมห า, มาสาร เป็นร้อยล้านพันล้านก็เถอะนะแต่เราขาดจริตธรรมจริยธรรมทางจิตใจไม่ได้ถูกไม่ได้มาศึกษาธรรมะไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลทางจิตใจมันขาดนะคณะสัาญญาตยายาโฉมอันนั้นคืออาหารกายปัจจัย4ี่เนะี่คืออาหารกายนะเราหาเงินเพื่อเลี้ยงร่างกายถึงจะเลี้ยงอิมมีพีมันอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนก็เถอะร่างกาย เออเลี้ยงไปเลี้ยงไป ก, แกไป็แก่ไปแก่ไปเดี๋ยวก็เห็นผมขาวแล้วก็เห็นฟันหลุดเดี๋ยวก็เห็นหนังเหี่ยวเดี๋ยวก็เห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยของตอนเองเพอได้จบก็เห็นตัวเองตายฮะจบเพียงแค่นั้นอันนี้คือเลี้ยงเลี้ยงร่างกายแต่จิตใจขึ้นตัวนามธรรมาตัวนึกคิดเนี่ยตัวนี้มันต้องอาหารอีกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวพวกเรามาอย่างวันนี้นะคือหาอาหารเข้าสู่จิตใจตัวนี้นะ อาหารเข้าสุจริตจะคือไหว้พระสวดมนต์จากนั้นกับฟังแนวความคิดที่พวกเราได้ศึกษาจากนั้นก็ น, นั่งภาวนานั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบติดใจให้เป็นหนึ่งเพราะุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดะออกไปจากตัวผูรู้ตัวนึกคิดนี่นะตัวนี้แหละแต่ร่างกายเหมือนกับรถอย่างพ่อเปรียบเทียบให้ฟังแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถ รถกับคนขับรถรถจะไปได้ต้องอาศัยคนขับแต่คนขับคนนี้นะจะต้องได้รับการอบรมได้รับการเสี่ยมสอนได้รับการศึกษาที่ดีแต่รถมันไม่มีอะไรหรอกร ถ, ถคือร่างกายเนี่ยอพอใจเขาของเราขับรถเข้าไปนะเน่ยมันจะไปเหยียบใครโซเฟอร์นิสัยไม่ดีนะครับเหยียบดากไปหมดาจากนั้นก็ บ, บีบแกดาบใครดาไปหมด ลบควนใครไปหมดบีมตะพัดกระเพื่อไม่รู้จักในการใช้แตรแตรคืออะไรคือคำพูดตัวเองนี่แหล ะ, ะ, จ, ะจะด่าใครก็ได้จะแกนะแนกะแใครก็ได้จะทำอะไรพูดอะไรกับใครก็ได้เพราะอะไรเพราะใจไม่มีสิ่งใจไม่มีธรรมใจไม่มีจริยธรรมที่ดนะีถ้าคนมีจริยธรรมที่ดีจะพูดอะไรออกไปต้องคิดซะก่อน ว่าการพูดออกไปนี่จะทําให้คนอื่นเดือดร้อนไหมเป็นการกระทบกระุเคือนคนอื่นไหมทําให้ผู้อื่นมีความทุกข์ใจกับภาษาขับคําพูดของเราไหมแอบถ้าว่าเราขับรถรถของเราเนี่ยไปเฉียดรถคนอื่นของเขามันจะเสียหายทําให้เขาเดือดร้อนไหมถ้าคนขับรถนิสัยดีนีก็ต้องเป็นอย่างนั้น การลที่ใจไม่ได้รับการอบรมไม่ได้การไม่ได้การศึกษาที่ดีนะมันก็ทําแบบเหมือนกับคนกินเหล้าพอกินเหล้าขับรถกันนั้นแหละคือคนขาดสติคนขาดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเหยียบด่าไปได้ชนด่าไปเรื่อยความเสียหายก็เกิดขึ้นนี่แหละศีลธรรมคํานี้นะจะต้องอบรมโซโฟเฟอร์คือใจเพราะนั้นขอให้พวกเราเข้าใจนะอาหารกายในอย่างหนึ่งอาหารใจในอย่างหนึ่ง ไม่ใช่อาหารอาหารแบบเดียวกันนะอาหารใจเนี่ยคือนั่งสมาธิปฏิบัติสํารวมกายสัมวมใจของตนเองเดี๋ยวนี้ขณะนี้เราคิดเรื่องอะไรเพราะนั้นให้พวกเราเนนั่งสมาธิถึงเราจะไปอยู่ในบ้านก็เถอะนะจากนั้นเราฟังธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์สืกอสาแล้วก่อวันไหนว่างๆจ า, ากวันเสาร์วัอาทิตย์ไม่ได้ทาการทางานเเข้าไปในห้องพนะันนั่ง เก้าอี้หรือนั่งคัดสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทพุทโทในจิตใจนะเนี่แหละอันนี้เป็นการอบรมทางด้านจิตใจเมื่อจิตใจของเรารวมสงบเป็นหนึ่งแล้วนะจิตใจเน่งนะเราจะมองเห็นมองเห็นการกระทําของเราอีอันนั้นมันผิดอันนั้นมันถูกอันนั้นมันไม่ควรอันนั้นสิ่งควรไม่ควรเราจะมองเห็นได้เ พ, ไเพราะอะไรเพราะ ใจของเราเป็นสมาธิแต่ใจของเราไม่เคยเป็นสมาธิมีแต่คิดปุ่งฟุ้งทั้งวีทั้งวันเผ อ, อเผอเ อ, อ, อจักรศาสตร์จะเข้ามาอีกพบมีอะไรเกิดขึ้นกระทบร้อนทุกใจเนีอันนั้นแปลว่าจิตใจไม่เคยผ่านสมาธิมา ก, ก่อนเพราะนั้นขอให้พวกเราฝึกนะเหล่อสมาธิมันจะมันจะเกิดเองนะมันต้องฝึกบังคับให้จิตใจอยู่เป็นหนึ่งอย่างหลวงพ่ อ, อ, อบอกกับพวก ผู้บ่ายาจารย์ศรัท ธ, ธาญาติจบทวันเนี่ยปีใหม่ที่จะถึงเนี่ยพวกเราคงมีการสวดมวนต์ข้ามปีคุกอกันได้ยินหนาหูขึ้นเรื่อยทุกวันทุกแห่งทุกมนก็จะมีการสวดมวนต์ข้ามปีนะจะไปแล้วแต่ผู้นำจะพาสวดเลยอิติปิโสก็ตามเฮียมาหารธรรมจักรกประวัติราชสูตรอดีตอานักอดีตอา น, นักธรรมจักร หรือว่าจะตีประธานตีเรื่องมหาสมัยมหาสรมยะสูตรสุดแท้แต่ครูบาอบาจารย์จะปาสวดสวดมนต์ข้ามปีเพราะเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลหลวงพ่อว่าถ้าหากสมมติว่ า, รวาเรานั่งเราสวดมนต์ไปถึงห้าทุ่มสามทิบห้าทุ่มครึ่ง พอถึงห้าทุ่ครึงเราสวดตั้งแต่หัวค่ําสวดมนต์แต่แต่หัวค่ำไปถึงห้าทุ่มครึ่งพอถ้าทุ่มเอานั่งสมาธินั่งสมาธินาธจนถึงหกตอนถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนซ้ํามไปถึง30นาทีเที่ยง30นาทียังไม่ถึงยังไม่ถึงตีหนึ่งนะ เที่ยงสามสี่นาทยค่อยออกจากสมาธิทำไมจึงทำอย่างนั้นในความเห็นหลวงพอ่อหลวงพ่อว่าพอถึงสิบเอดโมงเอานั่งสมาธินะพวกเรานะทบทวนดูว่าปีที่แล้วเนี่ยเราได้ทำอะไรไปบ้างอันมันที่มันผิดทำอะไรบ้างที่มันถูกทำในอันไหนบ้างที่มันดนีการอยู่กับพ่อกับแม่กับสามีภรรยากับลูกทั้งหลาย กับผู้ว่าการทั้งหลายกับบริษัทบริวารทั้งหลายที่เราที่ผ่านที่ผ่านมาน่ยปีที่ผ่านมานี้เราได้ทําอะไรเราได้คิดอะไรเราได้พูดอะไรไปบ้างที่มันเสียหายทำให้เสียหายสิ่งไหนที่เราทำมาแล้วดีในสิ่งที่มันดีไม่ใช่แต่เลวอย่างเดียวนะมันต้องมีดีและก็มีเลวด้วยไอ้สิ่งที่ไหนที่มันไม่ดีสิ่งไหนที่มันดีที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยปีห้าสิบเนี่ย พอถึงเที่ยงคืนปั้งเราก็ตั้งจิตอธิษฐานอีกคนะนะนะนั่นนะ่ะปี 2,560 นี่แหละตั้งแต่เที่ยงคืนนี่ไปข้าไปเจ้าจุดเป็นคนคิดดีทดําดีพูดดีสิ่งที่มันไม่ดีเมื่อปีที่แล้วนะ่ยที่เราทําไม่ดีกับสามีภรรยากับลูกของเรากับวงศ์ศาคณาญาติของเรากับพ่อกับแม่ของเรากับบริษัทบริวารของเรากับเพื่อนร่วม ง, งานของเรา ที่มันไม่ดีข้าพเจ้าจะไม่ทําในสิ่งที่มันไม่ดีนะั้นในปี 2,560 นี้ข้าพเจ้าจะตั้งต้นใหม่ตั้งแต่ปัจบันนี้เป็นต้นไป เ, เราคิดในใจนั่งสมาี่ทบทวนแปลว่าทบทวน30นาทีทบทวนของเก่าแล้วก็อีก30นาทีปลายแปลว่าตั้งต้นใหม่คิดจะทํำยังไงให้มีสัจจะใน จ, ใจิตใจ นี่แหละถ้าพวกเราทําอย่างนี้ได้หลวงพ่อว่านะชีวิตทั้งชีวิตของพวกเราก็จะเจริญรุ่งเรืองเราจะเราจะมองเห็นได้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรนะจากนั้นเราจะสวดมนต์ต่ออีกก็ได้เทนะ่านัอนพอเที่ยงคืนไปแล้วก็สวดมนต์ อ, อีกต่ออีกเพื่อให้ยันสว่างไปเลยเออันนี้เรียว่าสวดมนต์แต่ตวนตอนเที่ยงคืนหลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเรานั่งสมาธิ พราทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วแต่เนี่ยว่ามโนโปุพังคขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะฉะนั้นใจของเราเนี่ยต้องเป็นหลักมันจะคิดดีมันจะทําดีมันจะพูดดี อ, อยังไง เ, เราต้องดูที่ใจของเราเอาเถอะออตั้งแต่ ปี60เนี่ย้าพระเจ้าจะเป็นคนดีเท่านั้นพยายามถึงจะไม่ดีไม่ได้ดีเอ่อย่างที่ใจคิดก็ยังว่าก็มีความตั้งใจเป็นพื้นฐานไว้อันนี้อยากจะให้พวกเราคณะทัดทายญาติโยมลุกหลานทุกคนนะถ้าถ่าทำได้อย่างลุงพ่อแนะนำบอกกล่าวเนี่ยวพวกเรามั่นใจว่ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความผาสุก ่เข้ามาสู่จิตใจของเราแต่ก็พร้อมกันการประกอบคุณงามความดีการสร้างุลสร้างกุศล ส, สร้างเพื่อใครไม่ใช่เพื่อใครเนี่ยเพื่อตัวของเราเองนั่นแหละเออพวกเราคิดดูให้ดีสิเออพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศ์สักนายาญาตามิตรสหายเออพวกเราอย่างลงคอมายืนอยู่จุดนี้นะ่ะอยู่72ปีอย่างนี้ละ่ะ เ, เดี๋ยวคนนั้นก็โรยไปคนนั้นเดี๋ยวก็ไปใ น, นคนนห้ไปผู้บาอาจารย์ไปสัตยาญาติโยมไปลูกศิษย์ลูกหาไปเอออีกสักวันหนึ่งเอเดี๋ยวก็ตูมแล้วเดี๋ตูมนี่อีกสักวันเดียวมก็ต้องตูมมาหาเราอีกเหมือนกันแหมเพราะนั้นเราทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาททีนี้แต่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อก็เคยบอก ย, ย้ำกล่าวว่าหลวงพ่อไม่ได้เอาความตายมาขู่นะลูกหลานนะคณนะสัตยาญาติโยม เพียงแต่ชี้ให้ดูว่ามันเป็นจริงอย่างนี้นะไม่ได้ใช่เอาความตายมาหมมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะแต่เมื่อวันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประวัติอย่าให้อย่าตั้งอยู่ในความประวัต้ตองระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอดูก่อนอาบนเธอระลึกถึงความตายความตายวันละกี่ครั้งอานน วันละประมาณร้อยครั้งพระเจ้าค่ะโอ้อานนท์ประมาทระลึกถึงความตาย ว, วันละร้อยครั้งประมาทนะอานนท์ต้องระลึกถึงทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกถ้าหายใจไม่เข้าใช่ตายถ้าหายใจไม่ออกก็ตาย เ, เพราะนั้นเธอจองระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าหายใจออกนะอานนท์นี่แ่ะพวกเรามันนึกอยู่มันดูพวกเราสิท่นี่ พวกเราละลิกถึงความตายวันละกี่ครั้งบางทีเป็นเดือนเป็นปียังไม่เลยเลึกถึงพอละเ ล, ลึกถึงก็กลัวตายอีกต่าหากทีนี้ไม่เลยไม่อยากจะเลึกถึงทําให้จิตใจเศร้าหมองหมนหมองเพราะเหตุอะไรเพราะไม่ไม่เลยไม่อยากละเ ล, ลิกถึงความตายแต่ตามไม่จริงในหลักของพุทธศาสนาแล้วท่านให้เ ล, ลึกถึงความตายนะขณะตายที่อายุพวกคนละลึกถึงความตายเอเราจะ วางตัวยังไงวางใจยังไงมาถึงคราวของเราคราวจุดท้ายของเราเราจะทำยังไงในจุดนั้นมันมีการวางแผนนะจ๊นี่ดีกว่าที่เราไม่ได้เคยคิดไว้ก่อนเลยพอจู่ๆเข้ามาพอมาบรณะภัยเข้ามาถึงจิตใจว้าวีอ้าวางเงียบเหงาเศร้าซึมไปอะไอเพราะละไเพราะความกลัวแต่ตาเราพวกเราเตรียมพร้อมมาอยู่เสมอนะ เตรียมพร้อมไว้อยู่ในใจอยู่มันจะไม่กลัวนะมันจะแบ่งรับแบ่งสู้มันจะต้องอปฏิบัติตนยังไงเพื่อจะจุกตกท่องอถูกต้องอในขณะที่เนหะมือนกับเราวางแผนไวนะ้ถ้าว่าไฟไม่บ้านของเราไม่สารังนี้อันไหนที่มีคุณค่ามากที่สุดในสาลังนี้แนะเราก็ต้องไปเอาสิ่งนั้นออกก่อนเพรเราได้วางเราได้คิดไว้แล้วนะ เราจะต้องไปย้ายพวกลูกต้องย้ายอะไรออกจากเพอจะพักตู้เซฟออกมาพักตู้เซฟออกได้ให้มันห่างจากไฟไหม้เ น, ะนี่อันนี้ก็คือคนที่ได้วางแผนและคิดเอาไว้ก่อนล่วงหน้าแต่ถ้าว่าคนที่ไม่ได้เคยคิดไว้ก่อนว่าไม่เคยคิดว่าไฟจะไหม้เนะีอยพอมันไฟไหม้มาไม่รู้จะเอาอะไรก่อน ป, ปรับมาไปแ บ, บกปัตุมน้ำํำ หายมังกรที่หนักๆที่มันมีน้ําออกมาทําไม่ออกปาเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรถึงอย่างไงมันไม่ใชนดังเขาไม่เสียงเสียหายมากอะไรเพราะมันเป็นตุ่มน้ำํำเพราะอะไรคนไม่ได้คิดเอาไว้มันเป็นอย่างนั้นนะลกนะูกหลานเอ อ, อันนี้เหมือนกันนะ อ, อพวกเราถึงมาลนาภัยเข้ามาถึงเราโยนเจียนเข้ามาเนะี่ยเขาบอกอะไรเราเชื่อทั้งหมดเลยสช่ไหมอย่างที่หลวงพ่อว่า <c oughs> <c oughs> เขาบอกให้ทําอะไรก็ทําหมดเพราะอะไรเพราะกลัวตาย แต่ถ้าว่าเราพิจารณาอยู่ในใจเอ้ยใครจะพ้นจากความตายไปได้ อ, อีกสักวันหนึ่งทุกคนเดินตามหลังกันไปเรื่อยๆ เ, อยเราทําให้ถึงคราวเราเอาละเราความเป็นคุณงามความดีถ้าเหมือนถึงคราวเราเราจะทำยังไงได้ฟ้ อ, อ, งองเราถึงถึงคราวนีว่เราจะต้องไปล่ะแต่บุญกุศลภายในใจของเรามีหรืออย่างจุดนี้สาคัญ ถ้าว่าบุญกุศลยังไม่มีในจิตใจเราไม่ได้เคยคิดไว้ก่อนเลยไม่เคยสั่งสมบุญกุศลไว้ก่อนเลยอันนั้นไม่ถูกนะข้าศรัทธา ย, ยาจโสมนะเราต้องเตรียมพร้อมไว้ในจิตในใจของพวกเราถ้าพวกเราเตรียมพร้อมแล้วนะมีแต่ความสบายอกสบายใจมากระมาเถอะจะว่ายยังไงไม่ต้องท้าหรอกท้าเขาไม่ท้ากลัวเขาไม่กลัวกล้าก็าไม่กล้าแต่ถึงยังไงมันมาแล้วก็ยอมรับน้อมรับ อันที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเนี่แหละถ้าว่าพวกเราภาวนานะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านอันนี้คืออาหารใจนะอาหารกายก็คือข้าวหน้าโภชนะาหารหาปัจจัยหาเงิน เ, เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพวกเราจะว่าคนนั้นฉเฉืเฉลียวฉลาดเมื่อได้เงินมาแล้วก็ไม่ใช่นะพวกลูกหลานน ะ, ะมันจะขาดถักปกป้องทางทางอาหารใจ ถ้าพวกเราทําได้ทั้งอาหารกายด้วยทั้งอาหารใจ น, นั่นแหะเลิศประเสริฐตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสัง่งสอนบอกกล่าวอ่อเพราะนั้นให้พวกเราภาวนาการภาวนานี่ยไม่ยากนะคณะสัตยาญาจโยมลูกหลานนั่นแต่อย่างวันนี้แหละอ ย, อย่างพวกเรานั่งทั้งอยู่ในนี้เดี๋ยวนี้นะเออบอกเอาลุงพ่อบอเออนั่งภาวนานะลูกหลานสัทายาญาิโยมนะ เราก็นั่งขัดสมาธิเลยพอนั่งขัดสมาธิเอาปนอมือเราก็ปนอมือขึ้นระหว่างอกคือไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และลึกถึงพระคุณเพราะว่าการนั่งสมาธิเนี่ยไม่ใช่หลวงพ่ออินนะไม่ใช่แนวความคิดหลวงพ่อนะเป็นความคิดของพระพุทธเจ้านะแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนกันมาตามลําดับลําดับจนมาถึงพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราก็บอกกาวโกที่รู้ก็ บ, บอกท่านที่ยังไม่เคย เพราะว่าพวกเราไม่เชื่ว่าจะเคยหมดทุกอย่างรู้หมดทุกอย่างไม่ใช่นะพวกเราจะต้องศึกษาก็ศึกษาตามพ่อคอกับครูศึกษาจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์บอกให้ทํำยังไงอ้าวทํานั่งกัจจมาทีนะจากนั้นพอั่งขัดจมาทีขาขวาทับ ข, ขาซ้ายแล้วพนมมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หายใจ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 อย่างที่ข้าพเจ้าปราถนาทุกๆดวงใจทุกๆดวงวิญญาณด้วยเทเอินพ อ, อแล้วเจร็นะเอามือลงทำไมยังแผ่เมตตาเพราะว่าทำให้จิตใจของเราไม่แข็งกระด้างนนะไม่ผูกพยาบาทอาฆาตกับใครๆทั้งหมดในขณะที่นั่งสมาธินะทำใจให้เป็นกลางที่สุดจากแล้ว น, นั่งสมาธิหาย ใ, ใจเข้าออบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโธพุทธโพท ไม่ต้องส่งจิตออกไปข้างนอกไม่ต้องคิดไปถึงนู่นไม่ต้องคิดอันนี้เป็นการสร้างบุญกุศลถ้าผู้ใดทำภาวนาจิตใจให้สงบแล้วท่านว่าอันนี้สงมากนะให้ทานร้อยครั้งสู่รักษาศีลบริสุทธิ์ครั้งหนึ่งไม่ได้รักษาศีลบริสุทธิ์ร้อยครั้งสู้นั่งภาวนาจิตใจสงบครั้งหนึ่งไม่ได้อันนี้สงภาวนานี้มากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสได้สอนไว้อย่างนั้นนะคณะสัตวทายาทจนถึพวกเรานั่งสมาธิมันนั่งยากนะ มันปูงฟุ้งออกไปที่หนอกแต่พยายามบังคับให้มันอยู่กับกรรมฐานบางทีเราหายใจเข้าพุิกรรมพุธโธพุธแล้วก็ออกโทแล้วหายใจเข้าทำหายใจออกโมหายใจเข้าสังให้ออกหายออกสังหายใจออกโคแล้วก็หายใจเข้าพุธหายใจออกโธหายใจเข้าทำหายใจออกโมหายใจเข้าสังให้จัดให หายใจออกโคเลยให้ย้อนย้อนกลับไปย้อนกลับมาย้อนกลับไปย้อนกลับมาจากนั้นจากนั้นเราก็พุิกรรมพุทโทพุทโทพุทโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทก็ได้เลยเรียกว่าทดลองนับอย่างที่หลวงพ่อเคยมาพูดเมื่อไหร่หลวงพ่อบอกให้นับหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับ2อหายใจเข้านับสานับสี่นับห้า แต่ไม่ต้องหายใจฟืดฟาดุู้ฟานะคือนับตามปกติเวลาหายใจเข้าแบบธรรมดาธรรมชาติธรรมชาตินะแต่ให้มีติตในการนับแต่ตั้งจิตให้เข้มขังแข็งในเมื่อนับไปมันหลงมันเผลอที่ตรงไหนมันเผลอนะ่ะพอหายใจเข้าเป็นเลขขี้หนึ่งนะหายใจออกเป็นเลขคู่สองหายใจเข้าเป็นเลขขี่สามหายใจออกเป็นเลขคู่สี่ห้าหกขี้ 4, 5, 6, ข คู่ขี้คู่ขีคูไปถึงร้อยนะถ้ามันไม่เผลอแสดงว่าสติของเราดีนะถ้ามันเผลอแสดงว่าโอ้สติของเรานี่แย่กลับมาใหมา่อย่าเพิ่งไปนับต่ออย่าไปนับต่อไปอีกให้กลับมาหนึ่งใหม่อีกหนึ่ ง, องสองสามไม่ถึงยี่สิมันเผลอเอานับหนึ่งใหม่อีกโอ้สติของเราในแย่หรือวป่ามันจำเป็นอย่างนี้ตั้งสติให้เข้มแข็งอีกนับให้ได้ จนถึงร้อยพอรับถึงร้อยสองสามสี่ห้าครั้งเลยถึงยังค่อยมาบริกรรมพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆหายใจเข้าพุทธและหายออกใจหายใจออกโธหายใจธรรมหายใจเข้าธรรมห้ยออกหายใจออกโมหายใจเข้าสังหให้จะออกออกโค เลยจะพูดโทรพูดโทพดโทเลยก็ได้เลยจะเอาพุดโธให้ทีเย็บก็ได้ในขณะที่ใจของเรามันเผลอไปมันก็ออกนอกนอกดูพุดโธพูดโทพูดโทรพูดโทรพสัมทับแต่ไม่ต้องพูดออกปากนะเอาเอาเอาใจบริกรรมพูดโธรนี่แหละการถ้าว่าพวกเรารู้จักวิธีการภาวนาวิธีการปฏิบัติแล้วไม่ยากนะค่ะนักธรรมญาติหลวงลูกหลานทุกคนนะ ในี่ยละวิธีการทำจิตให้สงบวิธีการฝึกสติผู้คนผู้คนคนที่ส่งมีสติอยู่กับตัวเองนั่นแปลว่าผู้นั้นได้กำไรถ้าว่าพวกเราส่งใจคิดปรุงปุงออกไปข้างนอกนะคิดเร่งนั้นคิดเรื่องในปุงชุง ท, ง ท, งทงี่ทั้งวีทวัดอนาะขาดทุนนะในทำคำสอนของพระพุทธญาติาส่งใจออกนอกขาดทุน ถ้าส่งสินค้าออกไปขายข้างนอกได้กําไรส่งข้าวส่งเครื่องจักรกลเรื่องส่งอะไรต่อไปเลยขอออกไปขายเมืองนอกเราได้กําไรแต่ถ้าว่าส่งใจออกไปนอกมีแต่ขาดทุนนะเพ้อเพอเป็นบ้ า, เ ป, บาเป็นบ้าใน ง, ง่ายงายเพราะเลยเพราะเราลงส่งจิตใจออกข้างนอกนะเพราะฉะนั้นให้พวกเรารู้เอาไว้ว่าส่งสินค้าออกนอกได้กําไรส่งใจออกนอกขาดทุนนะ เราต้องมีสติอยู่กับตนเองตลอดเลยจากนั้นเมื่อได้กำหนดได้กำหนดเวลาเราจะนั่งภาวนา30สิบนาทีหรือเราจะตั้งนาฬิกาไว้ก็ได้นาฬิกาตีตีนี้จากนั้นเราก็ออกจากสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาด้วยนะออทางจิตนระิทาน อ, อีกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้นั่งสมาธิข่าวนี้ขอให้เป็นภุ่งบุญกุศลเป็นพรังทําใหออ้ข้าพเจ้ากิจการงานอะไรก็ตาม มีอุปสรรคอะไรก็ตามและก็ขอขอให้ข้าพเจ้าบุญกุศลเกื้อกูลหนุสนสงฆข้าพเจ้าสงจิตใจของข้าพเจ้าขอให้ผลทุกในพัตนาสงสารจะได้มาเวียนไหวตายเกิดในปัตนาสงสารด้วยเถินถึงพระนิพพานด้วยเร็วด้วยเถินและกับปุญญุศลที่ข้าพเจ้าในบําเพ็ิในคราวในีครั้งนี้ขอให้เป็นพลังเกื้อกูลหนุนข้าพเจ้าในการทํากิจการงานธรรมมาค้าขาย สามีภรรยาครอบครัวของข้าพเจ้าขอให้มีความสุขความเจริญจะได้มีอุปสรรคนานับประการแง่เรานั่งสมาธิล้วนแล้วจะเป็นคุณค่ามีประโยชน์เพราะเราทําความดีเมื่อทําความดีความ ด, ามดีเข้าสู่จิตใจของของเราแล้วนะใจของเราจะมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขนะพวกเราคณะจัตวาญาติหลวงลูกหลานทุกคนนะเอาตอนนี้ไปนั่งสมาธนะินี่นเอนะนั่งขัดสมาธิก่อนที่จะนั่งสมาธิปนมมือ ขึ้นระหว่างอกอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวและเลือกถึงุโคธรรมโมสังโฆสก่อนเนอร์เอาตรงนี้หลวงพ่อจะหยุดพูดนะนะทีนี้